จบเสียงอ่านพุทธธรรมฉบับรับขยายบทที่20สเรื่องเหนือสามัญวิสัยปาฏิหารเทวดาขออนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้ชุติเดชสุภกิจศิลวิรัชทรงพลรัตนอาภาอัตโตหิวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัฐธงชัยตันสุทัศนันทิสาแดงนรลักษณ์รัศมีกนิยบุญธกานนท์ประวิทเมคาทัพครอบครัวสุทธิธรรมวสี รอบครัวงามสุริยาพงศ์รอบครัวคำสุภารจนามนทาทิกุลนราพรนาคเกตวิจิตราเกิดแก้วนภักบุญเจริญปัญญาโกจันร่วมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงทรงให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกันสัพพธานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง เผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นสำหรับเสียงอ่านควรใช้เพื่อฟังทบทวนหรือเพื่อจับภาพรวมในเบื้องต้นเท่านั้นอาจต้องการอ้างอิงตรวจสอบกับเว็บไซต์ของวัดญาณเวสสกวันอีกครั้งนะครับ